2. อ, อันทักการวักหมวดว่าได้ความมืดสิกขาบทที่หนึ่งว่าได้การสนทนากับชายในที่มืดเรื่องภิกษุณีอันเตวสินีของพระพัท ธ, ธากาปิลานี 838. สมัยนั้นถ้าผู้มีพระภาค พ, พทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นชายผู้นั้นเป็นญาติของภิกษณุณีผู้เป็นอันเตวาศินีของพระพัฒกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยทุระบางอย่างครั้งนั้นภิกษุณีนั้นยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายนั้นในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่า ชนภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในเวลาค่ําคืนไม่มีประทีปเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ